ช่วงสองพันห้าร้อยยี่สิบหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะยังทันครูบาอาจารย์รุ่นก่อนครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเก่งมากๆเลยแต่และองค์แต่และองค์นะอัศจรรย์เลย <c oughs> เดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์รุ่นผู้ใหญ่แล้วเหลืออาจารย์มหาบัวเหลืออะไรเ <c oughs> หลืออยู่นิดเดียวแล้วไม่เกี่องค์ละ <c oughs> แต่ก่อนนี้เยอะแยะเลยการเรียนกรรมฐานมันเลยไม่กระจุกไม่กระจุกตัว <c oughs> เดี๋ยวนี้มากระจุกอยู่ตรงนี้เยอะเลยก่อนอย่างเราไปไทยอีสานนะวิ่งรถไปแป๊บหนึ่งก็เจอวัดหนึ่งองค์นี้อยู่ตรงนี้องค์นี้อยู่ตรงนี้นหลังๆวิ่งมาเจอวัดเหมือนเดิมแต่องค์นี้ไม่อยู่แล้วองค์นี้ไม่อยู่แล้วมีแต่องค์ที่ไม่อยู่แล้วก่อนครูบาอาจารย์เยอะมากเลยอย่างสายทางอีสานใต้นะมีตั้งแต่หลวงพ่อพุธไปทางเนี้ย หลวงพ่อพุทธไปมีหลวงปู่ดูลหลวงปู่สามอะไรเลื่อยไปจนถึงหลวงพ่อชาทางอีสานใต้ขึ้นไปทางเหนือนะมีตั้งแต่หลวงปู่ผางอยู่ขอนแก่นอะไรเงี้ายไล่ไล่ขึ้นไปแถวอุดอรก็เยอะแยะเลยสกลก็เยอะแยะไปหมดเลยเยอะมากในทางหนองคายก็เยอะหนองคายมีตั้งแต่หลวงปู่จันทร์ หลวงปู่จันเขมมาปัตโตอยู่วัดจันทารามไล่ไปทางโน้นมีหลวงปู่บัวพาไปทางเมืองเลยนะตัว น, นั้นอยู่ติดๆกับหลายองค์หลวงปู่บัวพาวัดป่าพระสถิตวิ่งมาอีกนิดหนึ่งก็ไปเจอหลวงปู่เหรียญวัดอรันบรรพตถัดไปหลวงปู่เทศแล้วก็ตาคุณแม่น้อยอยู่อินมักเป้งเลยไปเมืองเลยก็เยอะ หลวงปู่หลุยหลว ง, งปู่ชอบหลวงปู่สามาหลวงปู่ศรีจันทร์ครูบาอาจารย์เยอะๆเลยภาวนาแล้วรู้สึกโอ้คึกคักอบอุ่นตอนนี้เหลือแต่วัดหลวงเหลง่งหลวงเหล่งแล้วลำบากพวกเรามาเรียนช้าไปหน่อยนะไม่มีครูบาอาจารย์ที่มีคุณภาพหลวงพ่อไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ หลวงพ่อสอนตามใจชอบมากกว่าฉันจะสอนของฉันอย่างเนี้ยแต่ความจริงครูบาอาจารย์ท่านสอนมาอย่างนี้นะเวลาไปเรียนกับท่านนะท่านไม่มานั่งเทศให้ฟังเสียเวลามีเหมือนกันบางองค์นั่งเทศเข้าไปถึงท่านก็เทศให้ฟังอย่างอาจารย์วันอาจารย์ฟั่นอะไรพวกนี้เข้าไปถึงก็เทศเทศแต่ส่วนใหญ่ท่านไม่เทศอะถ้าไปถามกรรมฐานท่านก็บอกให้ แล้วคนไหนภาวนามานะถึงไม่ถามท่านก็บอกให้หลวงพ่อได้รับประโยชน์จากครูบาอาจารย์บ่อยๆเลยที่โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเข้าไปท่านบอกให้เฉยๆบอกอย่างที่หลวงพ่อบอกพวกเราทุก ว, วันนี้อย่างมีคราวหนึ่งนะไปนวดหลวงปู่สามอยู่ตอนนั้นหัดภาวนาใหม่ๆเลยไปนวดนวดท่านนะอยากได้บุญนวดไม่เป็นหรอกเรา ไม่เคยไปนวดนะไม่เคยอาบอบนวดเลยก็ไม่เคยไม่รู้มันนวดกันยังไงหรอกนะเห็นแต่ว่าคนเขาชอบไปขอนวดพระแล้วก็ไปขอบ้างเนี่ยนวดท่านดีไม่ทำท่านเส้นพลิก <c oughs> นวดนวดนะเราใจลอยใจลอยไปหลวงปู่สามเนี่ยขึ้นชื่อเลยเป็นพระที่ไม่พูดขนาดท่านไปเยี่ยมหลวงปู่ ด, ดูลนะไปถึงก็ไปกราบหลวงปู่ ด, ดูลแล้วก็นั่งเงียบๆอยู่สองชั่วโมง เราก็ลุกขึ้นผมไปละลาบลาละอะไรเงี้ยไม่พูดกันหรอกท่านเป็นพระไม่พูดวันนั้นท่านพูดกับหลวงพ่อปลื้มมากเลยเริ่มแทบช็อกเลย <c oughs> นวด น, นวดอยู่นะท่านก็พูดขึ้นมาไม่เต็มใจนวดก็อย่านวดเลยเนี่ย <c oughs> เราก็ตกใจนะเราเต็มใจนะเต็มใจเ <c> น <oughs> <c oughs> ี่ยเดี๋ยวนึงใจลอยอีกไปใจลอยอ่ะห้ามมันได้ที่ไหนอ่ะใจลอยไม่เต็มใจนวดก็อย่านวด เพราะครั้งที่สามนะอ๋อท่านสอนเราอะเราขาดสติอะนวดท่านอยู่แทนที่จะรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจตัวเองนะนวดนว ด, นวดอยู่ส่งจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นนอกสิริราชไปแล้วนวดไป <c oughs> นี่บางทีท่านสอนนะสอนแบบไม่ค่อยพูดมากอะไม่บรรยายไม่มีนะเป็นบรรยายเป็นขั้นเป็นตอนให้เห็นภาพทั้งระบบอะไรอย่างที่หลวงพ่อสอนทุกวันนี้ท่านไม่สอนอย่างนี้น แต่ว่าเวลาเราติดขัดเนี่ยท่านจะบอกให้บางทีติดนะเข้าไปติดอยู่ข้างในเชื่อหลวงปู่สิ ม, มาากวาดมือเรียกเลยผู้รู้ผู้รู้แบบ น, นี้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่ฟังแล้วงงเลยโอ้หลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกหลวงปู่สิมมาบอกให้เราส่งจิตออกนอกเลยนะฟังแล้วงงงงนะค่อยๆมาสังเกตเอาจิตเราถลำเข้าไปข้างในบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็เรียกไป คิดหน้าทึ่งเลยท่านจันบุญจันไม่เคยรู้จักเลยอยู่ให้พระมาเรียกเราไปแก้กรรมฐานให้ฉันอยู่กับครูบาอาจารย์ยุคนนั้นนะ อ, อบอุ่นนะเหมือนลูกมีพ่อมีแม่นะตอนนี้เป็นลูกกับพระแล้ว ว, ว้าวเวอยู่ถ้ำกลางยอดโยมว้าวเวจังเลยหาใครเป็นที่พึ่งที่อาศัยสักคนหนึ่งไม่ได้เลย <c oughs> งั้นพวกเราต้องพยายามนะยำเรียนให้ได้ วันหนึ่งพวกเราก็จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของคนรุ่นรุ่นต่อไปเราจะเอาธรรมะมาฝากไว้กับพระฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วพระพระมีไม่เยอะอย่างแต่ก่อนนะพระที่ภาวนาที่ตั้งใจจริงอย่างรุ่นครูบาอาจารย์ก่อนปีสองพันห้าร้อยท่านเรียนกันมานแล้วมาเป็นครูบาอาจารย์นั่นหลังสองพันห้าร้อยกันฝึกฝนกันยี่สิบสามสิบปีเพื่อมาเป็นครูบาอาจารย์ พวกเราก็เรียนไปแต่วันนี้แหละหาดเจเลนสตีไปรู้กายรู้ใจไปวันหนึ่งข้างหน้าเราได้ช่วยคนอื่นเขาบ้างใช้นี่หลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ใช้นี่พระพุทธเจ้าเราต้องใช้นี่กันต่อๆกันนะทุกวันนี้เทศได้เหนื่อยปางตายเลยเหนื่อยหอบแล้วหอบอยีกแล้วบางทีช่วงนี้ค่อยยังช่วยหน่อยอากาศไม่ชื้นมากไม่ถึงขนาดนั่งหอบ สอนให้เปล่าๆนะสอนให้ฟรีๆไม่เรียกร้องอะไรเลยนั้นเรียนไปตั้งใจเรียนมาเรียนกันด้วยใจซื่อๆเลยหลวงพ่อก็ให้พวกเราด้วยกความบริสุทธิ์ใจนะเราก็มาเรียนอย่างบริสุทธิ์ใจเอาใจมาแลกกันนะเอาธรรมะไปได้ธรรมะแล้วจะไปไหนก็เชิญเลยไม่ต้องมาปรนนิบัติพัดวีหลวงพ่อหรอกนะไม่ต้องมาอุปธรรมบำลุงอะไรหรอกเราอยู่ของเราได้ไปช่วยตัวเองให้ได้ ช่วยตัวเองให้ได้แล้ววันหนึ่งก็ได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นต่อไปหน้าที่ของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้ามอบหมายไว้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สมบูรณ์เบื้องต้นฝึกตัวเองให้ดีก่อนก่อนจะไปฝึกคนอื่นฝึกตัวเองให้ดีก่อนฝึกตนแล้วค่อยฝึกผู้อื่นนี่หลักของพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ ถ้าเราไม่รู้หลักของการภาวนาเราเที่ยวเผยแพร่ไปเรื่อยเผยแพร่บ้าๆบอๆคนเข้าภาวนาแล้วเป็นบ้าเนี่ยต้องรับผิดชอบนะอย่าไปเลี้ยงเขาเปล่าก็ไม่เลี้ยงเขาอีกก็ไปบอกว่านี่กรรมเก่าของเธอเธอเป็นบ้าบอกงั้นซะอีกสอนเขาผิดนะงั้นพวกเราเรียนให้รู้เรื่องนะวันหนึ่งพวกเราจะได้ช่วยกันสืบทอดธรรมะนี้ไปให้คนรุ่นหลังไปอีกธรรมะนี่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมีประโยชน์มากนะ มีกระทั่งประโยชน์ตั้งแต่การดำรงชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีธรร ม, มะเนี่ยชีวิตจะทุกข์น้อยกว่าคนอื่นเยอะเลยจนถึงประโยชน์ในขั้นที่จะอยู่เหนือโลกความทุกข์ในโลกเข้ามากระทบไม่ได้เป็นประโยชน์ของธรร ม, มะนำความสุขมาให้มากมายพวกเราภาวนาดีๆแต่ไปเราก็ได้ทำประโยชน์ได้ทำความสุขให้กับคนจำนวนมากถ้าสมัยโบราณเขาบอกให้เทวดาและมนุษย์ของเรายุคนี้ไม่ค่อยเชื่อเทวดาแล้ว เชื่อก็เชื่องมงง่ายเจอตุกคงเจอตุกขามอะไรสร้างขึ้นมาเองแท้ๆเลยแต่งขึ้นมาเองงั้นต้องฝึกนะเรียนไปเรียนแล้วไม่ต้องมาปรนนิบัติหลวงพ่อนะเรียนแล้วไปทำงานช่วยคนอื่นต่อไปอีกทำหน้าที่ของชาวพุทธไปเดี๋ยวหลวงพ่อก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปตามสภาพนะไม่เห็นมีอะไรน่าวิตกกังวลเลยเหมือนครูบาอาจารย์ท่า น, นก็หมดไปทุกทีทุกทีทกทแล้ว เอาต่อไปตรวจกันบ้านใครมีกันบ้านจะตรวจให้ตรวจก็ว่ามาใครไม่ได้ทำกันบ้านอย่ามาแต่งเรื่องแถวนี้อ้าวป้าก็รู้แล้วนะว่าเมคขึ้นมานบางค น, นเมคขึ้นมาเท่านั้นแหละหาเรื่องคุยเผื่อจะได้ออกซีดีเอาคนไหนมีเรื่องว่าไปให้คนอยู่วัดก่อนตื่นเต้นค่ะ กดแต่คิดว่าน้อยกว่าเมื่อวานเออน่ายังกดอยู่นะต้องเลิกให้ได้เลยตราบใดที่ยังกดอยู่จะขึ้นวิปัสสนามไม่ได้ไม่จะนิ่งกว่าความเป็นจริงแล้วถ้ากดได้ดีนะกดได้นุ่มนวลกดได้พอดีมีความสุขมันจะรู้สึกกูเก่งซะด้วยซ้ำไปเลยบางทีไปกดเบาๆนิ่งๆว่างๆอยู่นะอยู่ในความว่างรู้สึกไม่มีกิเลสเลยแหม่ชั้นนี่ดีเราเกินชั้นไม่มีกิเลสเลยงั้นภาวนาเราไปติดพบใดๆเข้านะใช้ไม่ได้ อันนี้ก็เป็นพบอันหนึ่งพบแข็งแข็งบางคนก็ติดพบนิ่งนิ่งบางคนติดพบว่างว่างบางคนติดพบเยิ้มเยิ้มใครรู้จักพบเยิ้มเยิ้มไหมเคยภาวนาแล้วมันเยิ้มอยู่ข้างในนะทำตาปล่อยๆนะจะติดพบ อ, อยู่ที่รู้ทันนะเลิกซะเมื่อกี้ก่อนรับใหม่ใหม่ก็ตื่นเต้นเล็กน้อยครับแต่ว่าเมื่อวานนี้รู้สึกว่า มันฟุ้งนะครับมันมันเห็นเป็นมากกว่าเดิมเป็นร้อยเป็นพันเท่าเออนั่นแหละมาอยู่วัดทั้งทีเห็นอย่างนั้นเลยแล้วก็อย่าไปเกลียดมันมันมันตลอดเวลาเลยครับทุกคนตลอดตั้งแต่เช้าเลยจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งดังนั้นจิตเขาปรุงแต่งตลอดเวลาไม่เลิกหรอกเพียงแต่ว่ามันปรุงแต่งแล้วเราหลงยินดียินร้ายไปกับมันลงไปยึดถือมันเข้าถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งไปแล้วจิตเข้าไปยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันเข้าไปยึดถืออยู่รู้ทันไปนะ ต่อไปโลกก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละโลกไม่เป็นสุขไปได้หรอกโลกเป็นทุกข์แต่ว่าเราพ้นจากทุกข์นะทุกข์มาไม่ถึงไม่ถึงใจให้ฝึกเอาไปฝึกเอามีแต่ต้องทำเอาเองนะช่วยไม่ได้เลยช่วยได้แค่บอกให้ข้างในมันหนักมันมัวข้างนอกมั น, ม น, มนดีกว่าเ <ลง S 1> มื่อวานดูออกไหมดูออกค่ะเมื่อวานมันเหมือนนักสแสดง ใจแบบนักแสดงเมื่อวานขึ้นเวทีค่ะเมื่อวานขึ้นเวทีไปแสดงไม่รู้ตัวด้วยเออนะบอกให้ก็รู้ตัวไปตอนนี้ก็เริ่มเป็นนักแสดงนิดๆแหละนี่หลวงพ่อคะหนูถามหลวงพ่อเป็นครั้งที่นับไม่ทั่วแล้วเป็นอัปชาติสิทธิ์ไปแล้วว่าอะไรก็ไม่ออกคือถามเกินเจ็ดครั้งไปแล้วว่าอย่างไรก็เกินแล้วก็ยังจะถามต่อไปว่าไปก็จุนสังเกตว่า ถ้าก่อนหน้านี้อยู่กับโลกจะเห็นแรงผลักแต่พอมาอยู่ในวัดเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกว่าแรงดึงมันจะมากกว่าบ่อยกว่าแต่มันจะดึงเบาๆถ้าแรงผลักมันจะผลักแรงแรงแรงผลักนั่นตันหาใจทะยานออกไปหาอารมณ์ภายนอกตันหาก็มีหน้าที่ผลักจิตออกไปหาอารมณ์ภายนอกนะสแสวงหากะว่าจะเอาอารมณ์มาบำบัดความทุกข์ของตัวเองเอาอารมณ์มาสนองให้มีความสุข เที่ยวหาไปตอนนี้เรารู้แล้วว่าการส่งฉีดออกนอกนั่นวิ่งไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองแทนที่จะวิ่งไปหาความพ้นทุกข์นั่นแบบวิ่งไปหาความทุกข์พอมาภาวนาก็เลยกลัวว่ามันออกนอกก็ดึงเอาไว้ดึงไว้ก็เป็นภพอีกชนิดหนึง่งจิตหลงออกไปภายนอกนะก็เป็นความปรุงแต่งฝ่ายชั่วไปจิตดึงกลับเข้ามาภายในมาประคองมารักษาไว้ก็เป็นความปรุงแต่งฝ่ง า, า, ายดี ร, รั ก, กเา ง, ง, า, กงาอันเดียวกันคือเอวิชชา ยังไม่เห็นความจริงของกายของใจนี้ต้องดูอีกแต่ก็เห็นว่ามันจงใจทำตลอดเวลานะคะสติที่เกิดโดยไม่จงใจเนี่ยมีอยู่แค่สี่ห้าครั้งเท่านั้นเองแต่วันดีแล้วสาธุเกิดยากมากนะบางคนเกิดครั้งสองครั้งก็เข้าใจแล้วจิตไม่ตั้งมั่นค่ะแต่ว่ามันก็สบายสบายใช่เห็ น, นไหมตรงที่พูดว่าจิตไม่ตั้งมั่นค่ะเนี่ยดันจิตให้โป่องออกมาข้างนอกให้ออกมาอยู่ในความว่างๆออกไปอยู่ข้างหน้าแล้ว ดันมากขึ้นแต่เนี้ยมันโหดเข้าไปแล้วอะไรรู้สึกไหมขูดขักขูดขั ก, ก, รกขยับเข้าขยับออกอเออให้รู้ทันไปนั่นแหละไปดูเอารู้ทันเอานเนาะอ้าวต่อไปร้อยสามสิบหกช่วยส่งไม้ไปหน่อยนะช่วยกระชับกระเฉงหน่อยวัดเราต้องการความเร็วเพราะกิเลสเป็นของรวดเร็ว เมื่อก่อนไปวัดบางที่นะโอ้พระท่านว่องไวมากเลยชุบชับชุบชับที่บ้านตากนะเคลื่อนไหวเร็วนะไม่มีย่องย่องเลยเพราะอาจารย์ท่านเร็วบางวัดจะช้าอาจารย์ท่านช้าค่ะกราบน้ำพระสกสารหลวงพ่อนะคะไม่ได้มากราบหลวงพ่อสี่เดือนเต็มพอดีนะคะตัดต้นเนื่องมีนามาอยู่วัดนะคะสุดท้ายแล้วก็วันนี้ได้มากราบหลวงพ่อนะคะจะรบกวนขอส่งกันบ้านที่ หลังจากที่อยู่วัดแล้วก็ไปปฏิบัตินะคะแล้วก็ไปตามรู้ตามดูอะค่ะก็กิกเลสก็ยังเยอะอยู่เลยค่ะก็เลยอยากจะไปถามหลวงพ่ อ, อ, อว่าภาวนาดีขึ้นนะใจมันก็เป็นกลางมากขึ้นดูออกเปล่าดูมีความสุขกับรู้รู้สึกหลังจากกลับจากวัด ร, รู้สึกว่าเห็นความเป็นกลาง<อ>าบ้างนะคะเมื่อไหร่ร ใ, ใจมันเป็นกลางมากขึ้นแล้วมันดิ้นน้อยลงนะ มันเบาๆขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็ดีแล้วละ่ะไปดูต่อน ะ, อะใจเข้าไปหยิบฉวยทีไรใจก็าเป็นทุกทุกทีใช่ค่ะใจไม่เข้าไปยึดไม่ถือก็ทุกน้อยหน่อยก็คือถ้าถ้าบางทีมันปรุงขึ้นมาเนี่ยก็ก็มองเห็นนะคะหลวงพ่อดีแล้วละน ะ, ะนเบอร์สี่สิบสี่สี่สี่กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ หนูมาส่งการบ้านครั้งแรกค่ะอยากทราบว่าหนูปฏิบัติมาในดีแล้วหรือยังคะก็ดีนะไปคอยดูใจมันฟุ้งเก่งดูออกไหมใจไม่น<ด>ชอบไหลไปไห ล, ไหลคิดโน้อนคิดนี่ฟุ้งไปเรื่อยๆนะค่ะให้รู้บ่อยๆนะค่ะอย่าให้ฟุ้งแล้วก็หลงเป็นนานๆค่ะสังเกตไหมอย่างคุยกับหลวงพ่อเนี่ยใจก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาดูออกไหมดูออกค่ ะ, ะตื่นเต้นด้วยค่ะเออดีมากเลยนะไปทำอีกนะที่ทำอยู่ดีแล้ว เบอร์แปดสิบสี่น้ำพระสการหลวงพ่อครับตอนนี้ตื่นเต้นนะครับก็จะมาขอการบ้านหลวงพ่ออย่าไปกดไว้เนาะกดใจอยู่นิดนึงดูออกไหมครับครับดูออกครับใจไม่จะนิ่งกว่าความเป็นจริงหลักของการปฏิบัติเนี่ยคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะอย่าไปทำให้นิ่งกว่าความจริงที่ฝึกอยู่ก็พอใช้ได้แล้วละตีนะไปทำอีก ตอนนี้จิตมัวนิดหนึ่งดูออกไหมมันไม่สว่างแจ่มใสเต็มที่ดูออกไหมพอพอจะออกนะให้รู้ทันมีโมหะแทรกนิดหน่อยนะครับรู้อย่างที่เขาเป็นไม่ได้รังเกียจหยาดชันเขาตัวสิบห้าเออจะรู้สึกว่าภาวนาได้ดีขึ้นไม่ทราบผมดูตัวเองถูกป่ะครับหลวงพ่อก็ถูกนะถูกครับเออรู้สึกไหมใจมันตื่นมากขึ้นแล้วครับ มันรู้เนื้อรู้ตัวได้บ่อยขึ้นนะรู้สึกไหมใจมันโล่งใจมันเบามากขึ้นครับดีภาวนาไปมีอะไรบกพร่องไหมครับหลวงพ่อครับมีแต่ป้ากลัวหลวงพ่อตอนนี้แล้วปิดกดเอาไว้กดแล้วให้รู้ทันความปรุงแต่งนะรู้ทันจิตมันปรุงความกลัวขึ้นมารู้ทันจิตไปกดไว้รู้ทันจิตเป็นไงรู้ทันอย่างตอนนี้ใจลอยไปแล้วนะใจไปคิดรู้ทันมีแต่เรื่องรู้ทันนั่นแหละใช้ได้แล้วนะไปขยันดู หมายเลขเ<อ>จ <77 S 2> ็ดเจ็ดอยู่ห้องหน้าประสบการหลวงพ่อนะครับอยากอยากนิมนต์ให้หลวงพ่อทุบนะครับนิมนต์ให้หลวงพ่อ <7 S 2> ช่วยทุบครับหลวงพ่อแขนเคล็ดอยู่ท่านเนื้อ <c oughs> ที่ภาวนาอยู่ก็ดีแล้วนี่จะให้ทุบอะไรใจมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วดูออกก็พอละ <c oughs> นั่นแหละภาวนาไปนะเราไม่ได้ภาวนาเอาความสุขความสบายแต่เราภาวนาให้เห็นความจริงของกายของใจเนือง ดูไปกายมันทำงานดูไปใจมันทำงานนะของคุณที่ทำอยู่ตอนนี้ถูกเป๊ะเลยแต่ระวังนิดเดียวให้ใจไปติดในความนิ่งความว่างนะบางคนเนี่ยเป็นสบายๆอย่างเงี้ยแล้วเราไปติดอยู่ในนิ่งในว่างใช้ไม่ได้แล้วมีหน้าที่คอยรู้กายคอยรู้ใจบ่อยๆจะได้เห็นมันเป็นทุกข์ไปเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมคุณภาวนาได้ดีเชียวละเบอร์สามสิบแปดไอ้เก่งๆ เ, เ, เยอะเลยแฮ่ทั้งหลังรอบนี้สามสิบแปดอยู่ด้านหลังไปอีกไป กลับนมัสการเจ้าค่ะแล้วอยู่ไหนล่ะอ๋อว่าไปดูกายดูจิตมาประมาณสองปีส่งการดังนิดเถอะหลวงพ่อแก้วส่งการบ้านหลายครั้งแล้วตอนนี้ห่างไปประมาณสามเดือนใช่ไหมค่ะไม่ทราบว่ายังอยู่ในร่องรอยที่ถูกต้องแบบใช่ไหมค่ะยังอยู่นะยังอยู่พอหนาก็ดีขึ้นแล้วใจโล่งใจเบามากขึ้นดูออกไหมเจ้าค่ะทำไมหลวงพ่อไม่ได้วัดด้วยใจโล่งใจเบาหรอกนะแต่ว่ามันเป็นผลพลอยได้ พอเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะใจมันค่อยตื่นขึ้นตื่นขึ้นนะมันปรุงน้อยลงมันไปหยิบฉวยอะไรน้อยลงมันก็สบายเป็นผลปล่อยได้หรอกไม่ได้ภาวนาเอาความสุขความสบายนะแต่ว่าภาวนาถูกนะใจมันมีความสุขมีความสบายขึ้นมาเป็นผลปล่อยได้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไปฝึกอีกไปทำอีกยังไม่พอยังไม่เป็นพระอรหันต์นะเบอร์สี่สิบสาม วันนี้มัวค่ะคื อ, อค่อนข้างง่วงนอนแต่ว่าที่ผ่านมาก็รู้สึกความยินดียินร้ายมันก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันนะคะจิตความแข็งของจิตเนี่ยค่อนข้างน้อยลงไปงประคองไว้หรือเปล่ามันเลยไม่แข็งหรือว่ารู้เฉยๆมันมีบางช่วงก็คงจะประคอง ถ, ถ้าไม่แข็งเพราะประคองไว้เนี่ยใช้ไม่ได้นะถ้ามันแข็งไปแข็งมาแล้วเรามีสติรู้อย่างนี้ยังดีกว่าแต่พารู้ไปมากๆใจเราเป็นกลางใจเราไม่แข็ง เราเห็นสิ่งทั้งหลายเคลื่อนมาเคลื่อนไปแฝงมาแฝงไปแต่ใจไม่แฝงด้วยนะอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าประคองใจให้นิ่งแล้วใจไม่แฝงอันนี้ใช้ไม่ได้ใจแฝงเรารู้ว่าใจแฝงยังกกดีกว่าของคุณมันมีติดประคองนิดหน่อยเพราะตอนนี้ง่วงแล้วก็แรงน้อยไปนิดหนึ่งนะพยายามเดินจงกรมไหมเ ด, เดินบ้างเปล่ามีมีเดินแล้วก็มีนั่งสมาธิพยายามเคลื่อนไหวให้เยอะขึ้นนิดนึง ทำงานบ้านก็ได้เคลืค่อนไหวเราเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานจะได้แรงเยอะกว่า น, นี้นิดหน่อยแรงน้อยไปเบอร์ร้อยสามข้าพเจ้ามัตสการหลวงพ่อครับไม่เศร้าว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้โอเคหรือยังครับฮะ<า>ที่ปฏิบัติอยู่ดีหรือยังครับดีหรื อ, อยังใช่ครับเราคิดว่าดีไหมเห็นทีเลสไหมเห็นเห็นปล่อยไหม ก็บางวันก็บ่อยบางวันก็ไม่บ่อยตัวไหนเกิดบ่อยล่ะบอกหลวงพ่อซิเผลอกับเผลอความโมโหเผลอกับอะไรนะความโมโหเอาโมโหดีนะไปฝึกให้คอยรู้ใจของเราไปละใจเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะโมโหเรารู้โมโหเรารู้เดี๋ยวหลวงพ่อถามอีกข้อหนึ่งขนาดนี้จิตตั้งมั่นไหมไม่ครับโอ้ถูกใช่ได้สอบทานเลยให้รู้นะว่าจิตไม่ตั้งมั่นแต่อย่าไปดึงให้ตั้งมั่นครับนะ ตอนนี้จิตมันดันโป่งเออกมาอยู่ข้างนอกนะให้เราคอยรู้ทันร้อยเก้าสิบเก้าหน้าหลวงพ่อคราวที่แล้วนี่แต่หลวงพ่อบอกพอใช้ได้นะฮะทีนี้ผมก็เจอข่าวข่าวที่แล้วนั่นเริ่มเห็นว่ากายไม่ใช่ของเราแต่มันจะเห็นแว บ, บๆอยู่นะแล้วก็ตอนนั้นนี่ส่วนใหญ่นี่จะรู้กายอย่างเดียวตอนนี้นี่รู้สึกมันค่อยๆทวนก็ามาหาใจบ้างใช่มันเข้ามาเองแหละนะครับหลวงพ่อเคยบอกบ่อยๆว่า จิตนั่นเหมือนเจ้าของบ้านบางคนเนี่ยดูเจ้าของบ้านโดยตรงไม่ได้ก็ไปเฝ้าหน้าบ้านไว้ไปดูที่กายนะพารู้กายนะเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้จิตคุณรู้กายเห็นกายยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยจิตมันเป็นคนดูนี่ในสุดเราก็เห็นในคนที่เป็นคนดูนะ <Okay. S 1> คุณภาวนาได้ดีขึ้นแล้วละ แต่ตอนนี้จิตเป็นยังไงบอกสิมันยังหลุดหลีกหลุดหลีกอยู่ฮะไม่ตั้งมั่นครับแล้วไม่ตั้งมั่นนะไปกดไว้อยู่ด้วยดูออกไหมนิดหน่อยครับมัวนิดหน่อยดูออกไหมไม่ออกไม่ออกนะเห็นไหมว่าใจฟุ้งซ่านใช่ครับใจฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นจิตที่มีโมหะนะเมื่อไรจิตมีโมหะเนี่ยจิตมันจะไม่ผ่องใสมันจะมัวนี่ถ้าเรามองตรงมัวไม่เห็นเราเห็นตรงฟุ้งซ่านก็ใช้ได้เหมือนกันนะร้อยสามสิบสอง การนมัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านลายไตม้าฮะคราวที่แล้วนี่ผมมาว่าผมติดที่มานาอัตตาตอนนี้มานาอัตตาก็เท่าเดิมแต่ว่าไม่ยึดถือมันมันก็มันก็เหมือนกิเลสตัวอื่นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับครับแล้วก็ตอนนี้ตอนนั้นผมเคยบอกว่าเวลาผมหลงเนี่ยหลงประมาณห้าวินาทีก็รู้ตัวเดี๋ยวนี้หลงเรารู้หลงเรารู้เออดีสิครับผม เป็นเพราะว่าตอนนี้จิตผู้รู้ผมมันมันตั้งมั่นใช่ไหมฮะหลวงพ่อหลวงพ่อถามก่อนจิตตอนนี้เป็นไงมีตัวผู้รู้ไหมตอนนี้ตอนนี้มีทุกรู้อยู่แล้วก็รู้สึกว่ามีแรงดันของความอยากเยอะฮะจิตเวลาอยู่ข้างนอกเหมือนตอนนี้ไหมเหมือนฮะอย่างนี้เลยฮะเหมือนแบบนี้เลยหรอครับผมอย่างนี้ฮะจับตัวผู้รูไ้ไว้ใช่ฮะเลิกซะคื อ, ค, อคือลืมพอลืมตาตื่นพวกมันก็จับเลยฮะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับให้รู้ว่าไปจับตัวผู้รู้ไว้ไม่ต้องหาทางหายหรอกแค่รู้ว่าไปจับไปก็หายแล้ว ครับผมไปติดตัวนี้อยู่นั่นแหละเพราะว่ามันมันคือผมเคยไม่ไม่ไม่จับมันแล้วก็มันก็คือแบบเดิมเหมือนขาดสติเลยฮะเออถ้าเมื่อไหร่ไม่จับตัวรู้ไว้ก็ฟุ้งซ่านแล้วคนไหนที่จับตัวรู้ไว้นานๆเนี่ยพอเลิกจับนะจะฟุ้งมากกว่าคนปกติอีกนะมันก็เหมือนกับก้อนหินไปทับหญ้าพอยกเอาก้อนหินออกเมื่อไหร่ในหญ่างอกเลย นี่เราต้องใจถึงถึงนิดหนึ่งถือศีลห้าไว้ก่อนเพราะเราไม่จับตัวรู้เนี่ย น, นี่ใส่ร้ายร้ายมันจะทำงานได้อย่างอิสระครับผมนะเพราะฉะนั้นเราถือศีลห้าไว้ก่อนอารมณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ให้ทำผิดศีลไม่ไปว่าใครไม่ไปตีใครไม่ไปรังแกใครนะแล้วก็เราปล่อยให้จิตมันทำงานไปต้องใจถึงถึงยอมฟุ้งซ่านก่อนฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่า น, นกิเลสโผล่ขึ้นมาแล้วรู้ว่ามีกิเลส ถ้าจนกระทั่งเหนื่อยแล้วทนไม่ไหวหรือว่าสติจะแตกทนไม่ไหวแล้วฟุ้งซ่านมากเกินไปก็กลับมาจับตัวรู้ไว้าอีกหน่อยหนึ่งพอพักผ่อนนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยนะพอให้สบายใจก็ปล่อยซะแล้วมาตามรู้กายตามรู้ใจไหมให้เขาทำงานไปโอ้ยี่ผมที่พามาผมเข้าใจผิดทีครับเพราะว่าเวลากิเลสไหลเข้ามานี่มันก็คือพอเรารู้ว่ามันมีกิเลสปุ้มมันก็ดับไปเลยผมวันนี้ว่ามันไว จริงไม่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราจับตัวผู้รู้มากเกินไปเขาจับตัวผู้รู้ไว้ใช่ไหมฮะมันก็เลยตัวอื่นก็เลยไม่ใช่ตัวอื่นหายหมดเลยโอ้ครับผมหลวงพ่อเสียเวลาตรงนี้เป็นปีเลยหนึ่งร้อยสี่สิบสองดีนะคนนี้เห็นและจับตัวผู้รู้ไว้เป็นยากนะนี่พอนาเก่งๆทั้งนั้นเลยวันนี้อาว่าไปครับนมัสการหลวงพ่อครับวันนี้มาเป็นครั้งแรกเคยไปฟังที่สารลุงชิงรู้สึกดีใจฮะแล้วก็ ฟังซีดีกับอา่านหนังสือหลวงพ่อมาประมาณหกเจ็ดเดือนก็ลองปฏิบัติดูก็เห็นความโกรธเห็นความเผลอแต่วันที่งานยุ่งยุ่งก็หายไปทั้งวันเลยช่วยไม่ได้นะเวลาที่เราทำงานที่ต้องใช้ความคิดเราต้องไปรู้เรื่องงานในขณะนั้นรู้กายรู้ใจไม่ได้เป็นธรรมดาหลวงพ่อช่วยแนะนำที่จะต้องทำจิตขณะนี้ปเป็นยังไงก็ตื่นเต้นครับแล้วมีอะไรอีก ก็เห็นความคิดตัวเองกลับไปกลับมาเห็นไหมใจเรานิ่งกว่าความเป็นจริงอยู่ตอนนี้กลับนะเรากดอยู่นะเนี่ยเราคอยสังเกตใจเราสิ่งที่ผิดมีสองอันเท่านั้นแหละอันหนึ่งหลงไปคิดแล้วลืมตัวเองอันที่สองไปเพ่งไว้ไปกดไว้ถ้าเราหลงไปเราก็รู้ว่าหลงเราเพ่งอยู่กดอยู่เราก็รู้ว่าเพ่งอยู่รู้ว่ากดอยู่ใจใหใคลายๆออกเราไปใจเราก็เป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้ตื่นเต้นอ่ะก็เลยไปกดเอาไว้ ให้รู้ทันสองตัวนี้ บ, าบา่อยๆตัวหลงไปแต่ตัวที่กดเอาไว้เพ่งเอาไว้ตอนที่ปฏิบัติในรูปแบบนี่ก็นั่งสมาธิแล้วก็เดินชมกลมครับดีนะฝึกทุกวันเป็นของที่ดีมากเลยเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองหรือยังเห็นครับนะที่ฝึกอยู่ดีนะดีขอบคุณครับโอ้วันนี้สิบเอ็ดคนและ้วใช้ได้หมดเลยดีทั้งนั้นเลยดีคนละแบบคนละอย่างสองอย่าง เอาเบอร์ยี่สิบแปดเราพูดสั้นๆก็ได้เนาะเอาคนละเล็กน้อยสั้นๆยี่สิบแปดยกมือไว้กับมาสการครับคือสึกตื่นเต้นแล้วก็ไปกดๆประคองเริ่มหายแล้วครับะดีฮ อ, อ, อนาถามว่าที่ปฏิบัติมานี่มันถูกถูกสิ เห็นกิเลสไหมกิเลสเกิดบ่อยไหมวันวันหนึ่งเห็นหลายหลายตัวเหมือนกันครับตัวไหนมั่งก็ดีใจตื่นเต้นโกรธด้วยครับแล้วก็ประคองกับกฎมันเยอะแล้วดีดีตัวไหนเกิดขึ้นก็รู้ตัวนั้นไปนะก็จะเห็นเลยทุกอย่างอยู่ชั่วคราวเห็นไหมอยู่ชั่วคราวถ้ามันเพ่งไม่ต้องไปปล่อยนะครับให้รู้ไปเลยให้รู้ว่าเพ่งนะแล้วก็ไม่อยากเพ่งรู้ว่าไม่อยากรู้ทันใจของเราไป แต่ถ้ามันเพ่งไม่ยอมเลิกเลยเพ่งอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนนะเผลอๆไปบ้างใช่ได้นะ92คุณคร <ใน S 2> ับในนิยมภาวนากันเก่งๆเยอะนะภาวนาดีอ่ะว่าไปนรัตสกานะครับอ่ตอนน า, อาอตอนนี้ใจเริ่มเป็นกลางขึ้นอยัางครับยกใหม่นิดหนึ่งครับตอนนี้ใจเริ่มเป็นกลางขึ้นบ้างยังครับดีครับแล้วไงอีกอ่าบางครั้งเวลาฟังธรรมะหลวงพ่อรู้สึกจะมีพวกมันเป็น อาการของสมถะหรืออาการของอะไรไม่เป็นไรตัวลูกเดียวเลยครับจิตมันก็เกิดแล้วก็ดับไปงั้นแหละแค่รู้นะไม่ต้องว่ามันจิตขณะนี้เป็นไงก็มีตื่นเต้นแล้วก็มันเหมือนกับจะส่งออกนอกนิดหน่อยครับอ่าถูกต้องถ้ากดไว้ด้วยดูออกไหมครับใช่บ้างครับยังดูไม่ค่อยชัดนะครับแต่เวลากดนะครับเวลากดนะสังเกตง่ายๆเลยใจมันจะแข็งๆนี่เลยใจมันจะมีน้ำหนักนะตอนนี้หลงออกนอก ไปดูอีกนะดูเพื่อตัวเราเองแหละไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อหรอกร้อยเก้าสิบเอ็ดการนวัตกรรมหลวงพ่อครับข้าวก่อนหลวงพ่อบอกให้ไปรู้กายรู้ใจครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมารู้สึกจะโดนกิเลสซักพ่อแปะไปเยอะเลยครับธรรมดานะกิเลสมันเป็นเจ้าโลกมานานแล้วครับสู้กับมันก็ต้องโดนมันถลุงเราบ้างแหละครับแล้วไงเรา ช่วงนี้พอดีคิดว่าหลังจากนี้ไปคงจะไม่ค่อยได้มาส่งการบ้านก็เลยจะขอการบ้านกลับไปดูครับอยู่กับปัจจุบันเลยนะดูกายดูใจเขาทำงานในปัจจุบันไปดูเขาทำงานนะไม่ใช่ไปทำงานแทนเขาครับไปดูกายดูใจเขาทำงานได้ได้ครับเบอร์สามเจ็ดมาสการค่ะหลวงพโยมมีสองคำถา ม, มาค่ ะ, ะคำถา ม, มาแรกโยมเพิ่งไปผ่าตัด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 แล้วมันเหมือนกับความดันคือโยมแพ้ยาสลบที่ความดันโยมจะต่ำลงเรื่อยๆเขาเลยให้ยายาเพิ่มความดันทีนี้เนี่ยพยาบาลเขาทำพลาดไอหลอดเลือดไอหลอดที่มันให้ยามันมันดีดออกพอเลือดมันก็เลยกองไปที่ที่เตียงทีนี้หัวใจโยมมันเต้นประมาณสี่สิบกว่าภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีมันวิ่งขึ้นไปร้อยกว่า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 パーขขマンキッドミス、パーあンミトバヤマ、ヤミタマンヘンドワー、サイエイカムトンネガマンバワ ー, ー, ププー、ヤミタイ、セプトピアン、テクワイ、キライ、キライ、ジェニア。นจะเร หลังจากสภาวะนั้นหลวงพ่อยองก็ต้องแบบคือเจอสภาวะนี้ตลอดนะกับร่างกายคือมันร่างกายมันอ่อนแอแล้วจิตมันก็อ่อนแอทีนี้เนี่ยโยมมีสภาวะหนึ่งคือจิตมันเหมือนกับไปแช่อยู่ในชานแต่โยมก็รู้มันแช่แล้วจิตมันก็คือมันมิดมันดึงออกไม่ไหวเพราะว่ามันเขาเรียกมันอ่อนแรงแล้วร่างกายมันก็อ่อนแรงอ่อนเพลียหมดโยมก็รู้รู้ไปเรื่อยหลวงพ่อคือไม่ไม่ไปฝืนมันนะโยมก็เลยอยากอยากทราบว่าถ้าตรงนั้นเนี่ยโยมตายไปจริงจริงเนี่ยโยมโยมจะไปเป็นพรหมไหมคะ ไม่เป็นหรอกเราเดินปัญญาอยู่ขนาดนั้นนะอ๋อไม่เป็นใช่ไหมคะออแล้วขอคำถามอีกดีไม่เดียวจะได้ธรรมะไปเลยแล้วก็ขอถามอีกคำถามนึงคะ่ะโยมเพราะตอนนี้โยมยังรักษาเนื้องอกยังไม่หมดต้องไปฉายแสงเพิ่มทีนี้เนี่ยระหว่างรอเนี่ยคือโยมอยากทราบ ว, ว่าพลังจิตของโยมเนี่ยสามารถจะรักษาตัวเองได้หรือเปล่าไม่ทราบขอความเมตตาหลวงพ่อสอนให้ด้วยะคะ่ะฮะหลวงพ่อสอนไม่เป็นหรอก ไม่สอนวิธีการสแกนกระดูกกับหลวงพ่อฮะจะเอาสแกนเลยเหรอก็เราเรามีสมาธิอยู่แล้วนี่เห็นไหมใจใจก็ตั้งมั่นไว้นะแล้วก็ไล่เลยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยจุดไหนมันดำดำนะแผ่พลังใส่เข้าไปแผ่เมตตาแผ่อะไรใส่เข้าไปฟอกมันนะจุดไหนติดขัดอยู่หรือเราไล่อยู่ในร่างกายจุดไหนติดขัดเนี่ยสมมติไล่มันแล้วมันติดอยู่ตรงนี้ก็ ทำความสว่างอะทำความสว่างเข้าไปความโลง่งความว่างเข้าใส่ตรง น, นั้นนะอ๋ออะไรไหมคนทำไม่ <yap. S 2> ไ ม, ไม่ไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมเพราะว่าแค่แค่ไม่หยิบให้คิดเอา <Elite. S 1> <alleg. S 2> ทำใจสมมติมันมาอึดอัดอยู่ที่หัวใจนะค่ะอยู่ที่หัวใจทำใจสว่างแล้วแต่จีรัสมันแอบดูอีกแล้วแค่แค่นี้นะหลวงพ่อพตัดนักสการ์เสร็จแล้วมันจะโล่งนะ ลมปราณมันจะวิ่งไปทั่วตัวนะมันก็จะค่อยๆชั่วขึ้น<ำ>แต่ถึงคราวตายต้องตายแง่ๆเลยนะ<ำ>แง่อยัางไงก็ตายหลวงพ่อเขาทำโดยที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรใช่ไหมคะใช่อย่าไปหวงังแค่ดูกายมันเจ็บดูกายมันตายไปช่วยมันก็เหมือนเราไปช่วยคนอื่นแหละไม่ใช่ช่วยเพื่อตัวเราเองอีกต่อไปแล้วคุณฝึกใช้ได้เลยนะถ้าหลวงพ่อเจ็บหนักใกล้ตายไม่รู้จะทำได้เท่าคุณหรือเปล่า <c oughs> อ้าวเบอร์169 ในมัสการค่ะหลวงพ่อเมื่อครั้งก่อนหนูมาทีนหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าหนูติดอยู่ในความว่างและตอนนี้หนูเห็นแล้วค่ะว่าหนูปิดติดจริงๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็กดอยู่แล้วจิตก็ยังไม่ตั้งมั่นก็คือยังออกมานอกๆอยู่ค่ะถูกต้องแล้วนะค่ ะ, คะดีแล้วล่ะที่ไม่ไปิดติดอยู่หนูจะขอบคุณหลวงพ่อด้วยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูคงติดมาอยู่นานอยู่พอสมควรหลวงพ่อคะแล้วก็หนูอยากถามว่า ที่หนูเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยคือมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยหนูเห็นถูกแล้วใช่ไหมคะหนูไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมคะเนี่ยไม่ได้คิดหรอกจิตมันมีพลังขนาดนี้นะจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขนาดนี้มันจะเห็นเลยทุกอย่างเป็นของถูกรู้ถูกดูหมดค่ะหลวงพ่อคะหนูคงไม่ได้มาที่วัดบ่อยๆอะคะ่ะ<ม>หนูขอกันบ้านที่จะไปทำต่อก็อไปดูต่อน ะ, ะดูทุกอย่างอย่าแต่อย่าไปจับให้มันนิ่งกันแล้วกันค่ะสี่สิบแปดอยู่ข้างหลัง ก็วันนี้พอนานกันเก่งๆเยอะนะนักมาตรการชอบหลวงพ่อครับไม่ได้ส่งงานบ้านหลายเดือนแล้วครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าผมไปเกยตื้นอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็พอทราบครับก็เลยตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกกลัวว่าไปเกยตื้นตรงไหนอีกโอ้ยังยังครับไปดูต่อครับแล้วก็เริ่มมีมีความรู้สึกคือไม่รู้ว่าไปสร้างพบพบนี้เองหรือเปล่าก็คือเป็นพบที่ว่างๆและใช่ใช่และเป็นพบอันหนึ่งกำลังติดอยู่ นั่นแหละไปเกยตื่นที่ใหม่ให้รู้ทันเราแล้วนั่นคือมันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าตัวเองคือบางทีพ อ, พอผมดูเองเนี่ยผมผมดูแล้วบอกว่าเออเห็นเหมือนกับเคยมีความรู้สึกวแว๊บแว๊บว่าอ่านว่าใจเนี้ยไม่ใช่ตัวเองแล้วเหมือนกันรู้สึกว่ามันไปจำแล้วมันก็ไปเกย <นะ S 2> มันมันก็พยายามจะไปนั่นปัญญามันล้ำหน้าแล้วนะเรากลับมารู้กายรู้ใจไหมครับเบอร์เจ็ดสิบหกโอภาณากันเก่ง น่าดูมากเลยแต่เนี่ยเป็นเป็นการกดทันคนที่อยู่ข้างหลังข้างหลังเนี่ยกลุ้มใจว่าจะดีอย่างเขาเนี่ยเขาดีมาตลอดเลยเอ้าว่าไปการมรรคการครับผมรู้สึกว่าบางครั้งไปกดกดไวบ้างแล้วก็บางครั้งก็แกล้งที่จะรู้อพอเรารู้ว่าแกล้งรู้เราก็หลุดออกมาพอหลุดออกมาเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่า เบากายเบาใจมีความสุขเป็นระยะระยะแล้วก็บางครั้งก็กลับมากดอีกลุ้มรู้สึกว่าเหมือนแบบบางครั้งอยากจะดีพอ ร, รู้ทันเราก็หลุดออกมามเป็นอย่างนี้ครับถูกแล้วอยู่ที่รู้ทันนะถ้ารู้ทันก็หลุดออกมารู้ไม่ทันก็ไปสร้างภพสร้างชาติไปปรุงไปแต่งขึ้นมาก็ไปติดอยู่ในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองใช้ได้แล้วตอนนี้ตอนนี้จิตเป็นไงตอนนี้ตื่นเต้นบ้างแล้วก็เมื่อสักคู่ เมื่อสักครู่รู้สึกว่าเหมือนกับว่าจิตจิตไม่อยู่กับกับตัวครับตอนนี้ล่ะจิตเป็นยังไงรู้ตัวเต็มที่ยังไม่ยังไม่เต็มที่ครับมีอาการอะไรแปลกปลอมขึ้นมาดูออกไหมมีมีความประมาะแล้วก็ระแวงด้วยครับแล้วกดไว้ครับความประมาะความระแวงแล้วมันเกิด <c oughs> ขึ้นเองแต่กดเนี่ยเพราะเราไม่ชอบความประมาะเราก็ไม่ชอบเนี่ยใจเราไม่เป็นกลางเราไม่เห็ น, ใ, นใจก็เข้าไปกดไว้ให้รู้ทันนะอย่าไปกดมัน มันเป็นอยู่บางครั้งนะครับบางครั้งมันก็รู้สึกขึ้นมาเองอบางครั้งก็<ๆ>ก็ก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อว่าครับใครรู้เอานะดีแลดีแลอย่างตอนนี้คลายออกไปตกว่าตะกี้เบอร์40อยู่ข้างหน้าเนี่ย40โอ้คนเบอร์หลังๆนะ่ะเครียดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะที่ภาวนา ม, มาเก่งๆลำบากอย่าไปสนใจนะมันเป็นแรงกดดัน <laughs> ก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นก็เลยอยากถามหลวงพ่อว่าจะตื่นย <ทำ S 1> ังไงอ่ะขณะนี้บอกมาซิก็มีตื่นเต้นแล้วก็รู้ ร, รู้ไม่ชัดมากครับรู้ไม่ชัดกทีกนจองอะไรนะ ร, รู้ตัวแต่ว่ามันไม่ได้คมชัดมากฮะจีนมันมีโมหานิดหน่อยนะมันมัวมัวก็รู้ว่ามัวใจเป็นกลางไหม บางทีก็จองนะครับให้รู้ทันนะจ้องเนี่ยโลภะมันเกิดแล้วไม่เป็นกลางอยากเห็นบางทีก็ไปข่มข่มเมื่อโทสะมันเกิดไม่อยากให้เป็นนี่ครับแล้วก็มีที่ช่วงที่แล้วจะรู้สึกว่าที่นิสัยร้ายขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันลดลงไม่รู้ว่าเป็นของมันแ<อ>บไ บ, บอย่าให้จิตมันซึมนะแต่ถ้านิสัยดีขึ้นมาเพราะว่ามันซึมซึมอย่างนี้อย่างนี้ไม่ออก ใจตอนนี้มันซึมไปนิดนึงให้มัน ก, บกบเระปรี้กระเป๋าไว้ซึมไปหน่อยเดินจองกรมใช่ไหมครับเดินแต่อย่าเดินคาดหวังนะเดินเล่นเล่นเดินดูกายมันเดินเดินดูจิตมันเดินนะ เ, เบอร์แปดสิบหกช่วงที่ผ่านมาจิตมันจะไปเ ก, กาะกับลมหายใจครับไปอะไรนะไปเ ก, กาะกับลมหายใจครับไปยูอะไรนะไปเกาะก่อกับลมหายใจครับอ๋อแล้วมันก็จะอึดอัดทรมานมากนะครับ ผมก็ไปหาทางแก้มันคอยดูคอยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่หายสังเกตไปสังเกตมาก็เลยเข้าใจว่าที่มันไปเกาะเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีกำลังครับก็เลยจะมาเรียนหาหลวงพ่อว่าที่เข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับถูกพยายามไปเคลื่อนไหวนะไปเดินจงกรมไปอะไรบ้างครับเพราะว่าช่วงหลังที่สังเกตเห็นเนี่ยเพราะว่าไปลองเดินจงกร ม, มดูอะไรอย่างนี้แล้วมันก็คือมันพอเดินสักพักหนึ่งมันมันจะรู้สึกว่ามันมีกำลังมากขึ้นก็เลยถอยออกมาดู อ, อ, อยู่บางทางใช่ต้องไปเดินจงกรมเพิ่มนะครับผมขอบคุณมากครับร้อยสิบเก้าอยู่ข้างหลังอช่วงนี้ก็ดูการเครื่องไว้กับกายแล้วก็เจิตครับหลวงพ่อเจิตเครื่องไว้ก็คอยรู้สึกกายเครื่องไว้ก็คอยรู้สึกทีนี้มันรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาสองสามเดือนเหมือนกับว่ามันขึ้นขึ้นลงลงดีบ้างไม่ดีบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยเพราะว่ามันยุ่งอยู่กับไอ้วัฏพันธ์ใหม่คนข้างที่จะ ผู้ซานมากกว่าปกติครับหลวงพอ่อภาวนาไม่ใช่มันดีตลอดหรอกเจริญแล้วก็เสื่อมจเจริญแล้วก็เสื่อมนะครับแล้วก็สังเกตเอาจเจริญแล้วเรายินดีไหมเสื่อมแล้วเรายินร้ายไหมหรือว่าเราเป็นกลางก็รู้ทันเราหลวงพ่อว่ามันอยากจะดีมานะอัตตาเป็นยังไงช่วงนี้ก็ค่อนข้างสูงครับหลวงพอ<ะ>่อไปดูตัวนี้ด้วยนะตัวนี้มันเริ่มเด่นตัวหยับหยับตัว น, นี้มันสู้เราไม่ไหวแล้วครับ เบอร์แปดสิบเอ็ดขอบคุณาข้อ ด, าดีขึ้นเยอะแล้วน ะ, ะจากมาอยู่วัดค่ะแล้วก็หลวงพ่อให้ดูจิตค่ะก็มีเมื่อปลายเดือนที่แล้วค่ะหลวงพ่อหนูก็คือคุยกับลูกค้าเรื่องงานเรื่องอะไ ร, รตกลงกันเรียบร้อยพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งลูกน้องมารายงานว่าไม่เป็นอย่างที่เราคุยกันไว้หนูก็ มีความรู้สึกโกรธมากแล้วก็จีดขึ้นมาเลยที่หัวแต่แตออกมาเห็นว่าโอ้โหทำไมจะต้องโกรธขนาดนั้นทำไมจะต้องปวดหัวขนาดนั้นทุกไปแต่ตัวหนูคือคือเราไม่ได้ถูกไม่รั่วหนูเห็นไปเองหรือคิดไปเองค่ะหรือเป็นจริงจริงค่ะเห็นจริงจริงอะสิเราหาภาวนาเ น, นี่ยเราก็เห็นสิรู้สึกไม่บุญแท้เลยไม่หัวใจวายไปก่อนค่ะหลวงพ่อ หนูเลยจะเรียนถามหลวงพ่อว่าหนูควรจะดูอย่างนี้แหละดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะค่ะหนูจะเรียนหลวงพ่ออีกเรื่องหนึ่งคือว่าเมื่อน่าจะไปเดือนหรือต้นเดือนลูกชายขับรถค่ะแล้วก็กลับมาก็ตอนหัวค่ำ ม, มาค่ะหนูก็เดิอนออกกำลังกายอยู่ข้างล่างขึ้นมาพอดีน้องสาวก็บอกว่าคุณแม่พิทต้นรถรถชนหรือรถอะไรชนข้างทางด่วนนี้ค่ะ แต่หนูมีความรู้สึกว่าเหมือนมีสติขึ้นมาตั้ง<ม>ใจถ้าเป็นแต่ก่อนนี้ก็ขาคงจะเป็นลมไปแล้วค่ะหลวงพ่อคราวนี้ก็ถามลูกเป็นอะไรไหมลูกก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็อึ้งไปพักหนึ่งเขาไม่แน่ใจว่าจริงๆหรือเปล่าเพิ่นเป็นอะไรอะค่ะลูกก็บอกไม่เป็นอะไรแต่ก็บอกว่ารถพังหมดเลยอะค่ะหลวงพ่อ<ม>แล้วก็ ดีเนี่ยรถพังลูกไม่พังก็ดีแล้วลูกไม่เป็นอะไรค่ะคนรถก็มารายงานว่ารถรถน่าไปซื้อใหม่ได้ลูกไปซื้อที่ไหนอะค่ะหนูบอกไม่เป็นไรลูกรถพังช่างมันลูกไม่เป็นอะไรจริงๆนะอย่างเงี้ยค่ะลูกก็บอกไม่เป็นไรแต่หนูก็บิดสติอะนะคะหลวงพ่อแต่ว่าขนาดเนี้ยเห็นไหมเราถูอารมณ์ครอบงำละค่ะให้รู้ทันเลยลงปัจจุบันค่ะขอขอความเมตตาหลวงพ่อให้ลูกชายอ้าวสิอ้าว ไม่ใช่ความผิดของเด็กหรอกอช่องที่เก็บตังค์มันเล็กไปเอาว่าไปครับของผมก็มรู้สึกเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วมันก็ ม, นมันผ่านมาแล้วนะครับแต่ก็กรู้สึกว่าชีวิตถ้ามั น, มนเสียไปก็คือเสีย<อ>ไปเลยแล้วก็ประมาทน้อยลงใช่นะ เ, เราตายเมื่อไหร่ก็ได้ถือบางทีเราขับดีนะคนอื่นมาขับมาเหยียบเราก็ได้งั้นความตายมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้เรามีสติ ดีที่สุดเลยครับแล้วส่วนการภาวนาตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นตัวจริงมากขึ้นครับใช่ภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วนะดคีครับขอบุญครับเนี่ยมาเรีย น, นอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เล็ ก, ลกเล็กลูกศิษย์วันนี้ไม่รู้เป็นไงชอบมีอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วไม่ค่อยเป็นไรหรอกน่ะสติมันดีแล้วเวลารถชนจิตเป็นไง ก็ก็ก็คิดว่าตอนนั้นควรจะทำอะไรก็ทำทำที่คิดว่าควรจะทำครับมันจะชนด้านซ้ายผมก็เลยหักไปด้านขวาแล้วมีสติตลอดแล้วชนด้านขวาก็เลยหักมาด้านซ้ายแล้วมันเลยชนสองข้างแต่พอตอนหลังรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้รถมันเริ่มหมุนแล้วมันก็มันก็เลยกระแทกกับทางด่วนไปครับแต่ว่ามันไม่เราไม่เป็นอะไรมากครับเออดีแล้วเนี่ยก็มีนัดด็อกเตอร์โบอยู่ไหนมาไหมวันนี้ขับรถอีท่ามาไหนก็ไปตีข้าง ตรงกลางถังด้วยรถพังหมดเลยแต่าไม่เป็นไรหรอกเพราะอะไรเพราะ ม, มีสติแม้หัวจะโขกทางนี้ก็หลบสักนิดหนึ่งจะชนทางนี้หลบสักนิดหนึ่งมันก็ประครับประคองเอาตัวรอดไปเบอร์แปดสิบเก้าครับเก่ารัศการพระอาจารย์ครับมาส่งการบ้านมาครั้งแรก เ, เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนครับก็ผมหลวงพ่อถามดีกว่าคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้างยัง ตอนนี้ผมก็ดีขึ้นครับแต่ว่ามีช่วยหนึ่งที่ผมติดนิ่งผมพ่อม MORIBA B sant var either way she was causing love not to fall ผมก็พยายามไปหาที่แปด ไ, ไ, ได้เปล่าเวิร์วัต Dan the end ก็ไปนั่งอยู่คนเดียว Tiny for fun we had a more learned กตอนนวไปหมดเลยครับเพราะว่าเสียงลมเสยง ไ, รไป zwI a bit where 시 Hyuw might raise มันไม่นิ่งละแต่ล itchen จากนั้นไปแล้วเนย รู้สึกจะไม่ดีเลยครับคือจะหลงตามกิเลสไปเยอะแต่ว่าผมก็เลยเปลี่ยนมาดูการเคลื่อนไหวของกายช่วยประหมา่านะครับก็เลยกลับคนที่มาสมานบ้านครับก็ดีนะดีขึ้นแล้วคือถ้าติดนิ่งเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญญากี่ปีมก็อยู่แค่นั้นนะมันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่พอใจเราหลุดจากตรงนั้นเนี่ยเบื้องต้นมันจะฟูงซ่านมากใช่ครับฟูงแบบใครลาบไ ป, ไปเพื่อนไปหมดเลยครับมันไปหมดเพราะว่า เ, เก็บกดมานาน พวกที่ติดสมถะนะพอหลุดจากสมถะเนี่ยจะฟุ้งมากกว่าคนปกติถ้ามันฟุ้งมากจริงๆเนี่ยพยายามมารู้ที่กายไว้ของคุณถูกต้องเลยเอากายมาช่วยก่อนดูจิตไม่ได้ตอนนี้ฟุ้งมากดูกายไปก่อนครับเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งทำงานที่หน้าคอมนะครับก็หลังจากเดินในไลน์ตรวจงานแล้วก็ขึ้นมาขีงงานใช่ไหมครับเหมือนใกล้ๆว่าผมเห็นเหมือนแขนผมเนี่ยมันเบินทางห่างออกไปเอ๊ะมันเหมือนออกับ น, นี่แขนหรือเปล่าเนี่ยหรืออะไรประมาณนี้ครับ อย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องถูกต้องตอง่อไปเราจะเห็นเลยร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะตัวที่ยืนเดินนั่งนอนตัวที่หยิบข้าวของตัวที่ขยับนิ้วอะไรไม่ใช่เราหรอกรตัวจิตเองก็ไม่ใช่เรานะเดี๋ยวมันก็จิตโลภจิตโกรธจิตหลงเราสั่งมันไม่ได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเราจเจริญปัญญาอยู่คุณดีมากนะปกติคนที่ติดเพ่งเนี้ยแก้ยากเอาคุณนิ่งหลวงพ่อหนึ่งบอกไปหาที่น่ากลัวถ้าไม่เอาอะไรน่ากลัวมา เข็ดมันนะมันเริ่มติดอยู่แล้วคือผมไปกังวลใจอยู่ช่วงหนึ่งว่าจะไปหาปราชาชี่ไหนดีก็ทักกับก็ถามทุกน้องถามอะไรก็หากันหากันไม่ได้พอดีน้องเขาแนะว่ามีวัดอยู่บนภูเขาพี่ลงขึ้นไปแล้วกันผมก็ขึ้นไปก็ไปนั่งอยู่คนเดียวก็ได้ได้ค่อนข้างเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับดีแล้วนะดีที่ไม่ดื้อมาขอครับมาขอการบ้านช่วงพรรษานี้ครับขอบคุณนะรู้กายรู้ใจไปเลยคราวนี้ดูกายเป็นพื้นไว้นะมันจะเห็นจิตทำงานเอง มันจะรู้เองนะอาจารย์ครับนะแล้วถึงเวลาก็ทำความสงบไม่ใช่ทิ้งนะทำความสงบเพื่อพักผ่อนเป็นครั้งเป็นคราวนะแล้วก็เวลาที่เหลือจากการทำความสงบเพื่อมาคอยรู้กายรู้ใจคุณเดินอย่างนี้แหละจริงจริงพระริยาทั้งหลายท่านก็เดินมาทางนี้แล้วขอบคุณครับได้อีกสองคนข้างหลังคนข้างหน้าคนเบอร์แปดคือขออนุญาตนะครับเบอร์แปดเขายก ให้แม่ผมอะฮะเหรออ้าวแล้วเบอร์แปมอยู่ไหนอะนี่ค่ะหลวงพ่อแม่เนี่ยก็ภาวนาก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยรู้สึกไหมใจมันโล่งมันเบาขึ้นค่ะจะให้มันติดในความสุขก็แล้วกันค่ะแต่เนี่ยมันชักจะสุขมากไปหน่อยใครรู้เอานะคอยรู้สึกถึงร่างกายเลยร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ค่ะรู้สึกเหมือนเป็นด้วย แล้วพอใจเราขยับขยันขึ้นใหม่ก็ค่อยรู้เอา <Okay. S 1> นะอยากให้นิ่งก็นแล้วกันเอาเบอร์ห้าสิบหกเสื้อเหลืองน้ำมัสการหลวงพ่อครับก่อนหน้านี้หลวงพ่อเคยบอกว่าจิตส่งออกนอกนะครับปัจจุบันนี้ก็พยายามทำให้มันเป็นกลางมากที่สุดก็เลยไม่แน่ใจว่าปัจจุบันดีขึ้นหรือ ย, ยังครับคุณว่าดีขึ้นไหมล่ะดีขึ้นครับดีขึ้ น, ด, นดีขึ้นต้องรู้ว่าดีขึ้นถูกต้องใจมันจะบงัง เบบาคุณでしょう know what it's been? แต่ไม่แน่ใจ้걸로 แ, แน่ใจ Сам เป็น Jonathan perspective หรือว่าว่ามันเป็นผลของการกระทำ sos from Allah ได้โดยว linguس กถ bracelet cams Pel childcare นี่จ optimism ฉ팔งใจไหม Analysis 事 respects the actual zamthat ส่นาง Script 被你明 seen อืำฉาด exponentially ได้แท้แทย์แ六 ص ง Jian Mastri เป็นส اخ นที่ geschuzit กันม iec กตอยอครับสิทธิ något ยันดหนงไงใช้ใช้จนิ่งกว่าความเป็นจริงนิ อย��려ตอนนี้จิตนี้ไปคิดทรัพย Pomis ครับที่คุณฝึกอยู่ดีนะคุณไปทำเอก transc television véan 2009ครั บ, ก, รบก็ wahodes ที่แล้วหรวงพ่อให้ไปเดินจงกรมครับเครื่องที่แล้วก็เดินทุกวันโอ้ดีดิสก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวดีขึ้นครับไปเดินอีกนะก satelliteebinski�� 는ตัว น, นี้รู้สึกตัว passiert Everyday? ไม่ค taxpayers ถูกต้องจัยได้นะ Cause hap ไ, ไปฉะน Young กับบาน